กับน้องน้องพระรัตนาไตแล้วก็กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนกะระยามนมิตตัวหนึ่งชื่อทันที่มาแป้นพงนะคะแต่เปลี่ยนแล้วเป็นจันที่มาะค่ะที่หลวงพ่อเปลี่ยนให้ก็ก่อนหน้านี้มาก็ประมาณสักเริ่มปฏิบัติธรรมจริงๆอะค่ะตอนอายุประมาณสี่สิบเอ็ดแต่ตอนนี้ก็ห้าสิบแล้วนะคะสี่สิบเอ็ดนี้ก็ปฏิบัติมาตอนนั้นก็ที่เพิ่งรู้เริ่มรู้ แล้วก็มาลาออกจากงานก็ตอนเมื่อวานสักสี่ปีที่ผ่านมาเพราะว่าตอนทํางานไปแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราทําไมอยู่กับทนอยู่กับสิ่งพวกนี้ได้ยังไงโดที่เราไม่ได้มาพัฒนาจิตเราเราพลังไปผิดทางอะ่ะเหมือนเราไปพัฒนาทางวัตถุเพื่อที่จะได้ให้ได้เงินหรือได้อะไรมา แต่พอเรามาเจอธรรมแล้วเราก็เลยหันมาทางนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วค่ะที่ว่ามาเริ่มศึกษาตอนนั้นก็ได้ศึกษามันเป็นเหมือนภาคทฤษฎีค่ะเป็นได้ศึกษาอริย ส, สัจสอะไรพวกปฏิบัติพวกนี้มาแต่ว่าเราก็เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเรารู้แต่แต่ในเนื้อหาในหัวเรื่องก็พอลาออกจากงานมาก็เลยได้มาอยู่กับสามีที่กรุงเทพก็ได้ไปปฏิบัติที่ยุวพุทธ ป, ปฏิบัติยุ้พุทธนี้ประมาณสองปี ก็เข้าหมดเลยค่ะทุกสายที่เขามีแต่ก็ยังได้เข้าได้ไม่ครบหมดเขาจะเข้าในส่วนที่ตัวเองตัวเองรู้สึกชอบหรือว่าฟังแล้วเราเข้าใจเราดึงนํามาใช้ได้แต่ถามว่ามันใช้ได้จริงๆไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันมันไม่เข้าถึงค่ะคือเราเขาพาพาสายพองยุคหรือว่าสายอานาปัญสติที่อานาก็ไม่ได้อานาเต็มตัวอานาแบบฟังฟังฟังทฤษฎีเหมือนเดิม กองยุบเนี่ยเราเดินไปเราก็เห็นหมดละคือเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธาตุหรือว่าสิ่งอะไรพวกเนี้ค่ะเห็นว่าเอาเดี๋ยวเท้าก็เย็นเดี๋ยวเท้าก็ร้อนเดี๋ยวก็ยุบยับตรงนู้นเดี๋ยวก็เหมือนมีมีเสียบมีอะไรเงี้ยค่ะมันเห็นมาหมดแล้วแต่ทีนี้เราก็เห็นเราก็รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่แล้วยังไงเหรอคะพอเราเห็นแรกๆเราก็เหมือนดีใจยินดีกับมันย้ายมันเกิดอีกพอมันไม่เกิดเราก็ เราก็เกิดความความความไม่แช่มชื่นขึ้นมาค่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราจ้องอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งพอปฏิบัติไปพอมาเจอสิ่งใหม่ๆมันก็จะดีใจอยู่ภักนึงแต่แล้วยังไงหระคะมันมันมันเกิดความถามตั้งคําถามในตัวเองว่าเออจนกระทั่งมันเห็นจนมันเบื่อค่ะมันเบื่อแล้วมันเห็นมันก็เอ้ออย่างนั้นงั้เคยเห็นละอ๋อเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้มันเห็นหมดละพอเสร็จทีนี้ มันก็เหมือนถึงทางตันเนะะ่ยค่ะว่าเอ๊ะแล้ว เ, เราจะยังไงต่อจนกระทั่งมาเจอพระอาจารย์ mm. ก็มามาม า, มาสายพระอาจารย์ขันชิตทีนี้ตอนแรกจิตมันเหมือนติดอาณาปณะสติแล้วก็ติดการ น, นั่งสมาธิด้วยส่วนหนึ่งอาณาปณะสิเนี่ยนั่งนั่งไปแล้วช่วงที่วันนั้นวันที่วันที่มันได้อาณาปณะสตินะคะอันนี้เล่าเล่าให้เผื่อว่าเป็นเป็นว่าจะได้ไ ด, ได้ได้ประสบการณ์หรือว่าแชร์กันนะคะคือนั่งไป ทุนี้วันนั้นพระอาจารย์สบายสบายให้เราสบายสบายเราก็เลยสบายสบายแล้วก็นั่งเล่นเนหัวหัวไปปรากฏว่าจิตมันไปเข้าอานาปานสติเองโดยที่ไม่เข้าเองมันไปอยู่กับลมเองเราก็เฮ้ยไม่เคยเจอตรงนี้มันก็ดีใจมันไม่ยอมออกมันไปอยู่จิตมันก็ไปอยู่กับลมเหมือนเขาไปเล่นเล่ น, ลนชิงช้าหรือสักอย่างหนึง่งแล้วเขาติดใจเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละเราก็เออตรงนี้มีความสุขดีจนกระทั่งไปส่งอารมณ์ก็ก็ไม่ค่อยอยากจะส่งอารมณ์อะค่ะ ก็อยู่อย่างนั้นทีนี้ตอตหลังมาพอจิตเขารู้แล้วว่าตรงนี้สบายมาเจอตรงที่สบายน่ะวเขาจะพอเราไปเดินเล่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไปสบายขึ้นมาจิตเขาก็ไปอยู่ไปอยู่ตรงนั้นเองเราก็รู้สึกเบาสบายแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบางทีจิตไปอยู่บางทีจิตไม่ไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ที่เขาจะไปคือเราไม่ได้อยู่ใต้คอนโทนของเราละเขาไปของเขาเองจนกระทั่งมาเจอพระอาจารย์เรารู้แล้วว่าตอนที่จิตไปอยู่อ่ะมันเบา แต่ตอนที่จิตไม่อยู่อ่ะมันหนักแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็รู้แต่ว่าเออเราก็พยายามจําอารมณ์นั้นไว้แล้วก็อยู่กับอารมณ์อย่างนั้นบ่อยๆมันก็จะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วจนกระทั่งมาเจอพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์สอนเรื่องหนักเบาพอเรื่องสอนเรื่องหนักเบาเรื่องความสบายความไม่สบายความสบายคือสุขความไม่สบายคือทุกข์ตรงนี้เราก็เลยเริ่มเก็ตไอเดียเฮ้ มันตรงประเด็นลงไปเลยเนีย่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเน่ยที่จริงพอเราอ่านดูแล้วมันไม่ไ ม, ไ, มไม่ใช่สิ่งที่ยากตรงไปตรงมาแต่ว่าพอมาสมัยเนี้ยมันกลายเป็นพระอภิธรรมหรืออะไรที่ทําให้ดูยุ่งยากซับซ้อนขึ้นไปอีกจึ่งยากต่อการเข้าถึงคือมันจะเข้าถึงเฉพาะภาคทฤษฎีอะค่ะที่เตงก็เป็นว่าเอ้ยพอเราฟังตรงนี้เราก็ฮิพออาจารย์ถามแล้วเราก็ดูตามสิ่งที่พระอาจารย์ให้เราดูเลยพระอาจารย์ก็ถามขึ้นมาคําถามหนึ่งว่า ให้เราดูหนักเบาแล้วท่านถามว่าหนักเบาเนี่ยมันเกิดพร้อมกันไหมพอท่านให้เราเดินจงกมรมแล้วก็สังเกต ด, ดูเลยพอเราสังเกตเฮ้ยมันเกิดพร้อมกันนี่ว่ามันเกิดพร้อมกันนะคะมันเกิดพร้อมกันเพราะเกิดพร้อมกันที่เราเห็นบางห่วงเราเห็นบางห่วงเราไม่เห็นเราก็เลยมาฉุกใจว่าทํายังไงละ่ะตอนที่พระอาจารย์ให้เดินจงกรมแล้วก็นั่งสร้างจังหวะเราก็มาคิดว่าเออเราทํายังไงเราถึงจะเห็นมันชัดเพราะว่า ทั้งทีเราเห็นแบบแบบแบบแแบบแเนี้ยมันก็ไม่ชัดเหมือนเราสติเรายังตามไม่ทันดีก็เลยเดินไปเดินมาเดินเล่นเหัวหัวไปนะคะเดินแบบเป็นคนที่สบายๆเป็นแบบไม่ค่อยกดอยู่ในกฎระเบียบเป็นคนที่แบบเหมือนตามใจตัวเองพอเดินไปเดินมาปรากฏว่าที่เดินตามผ้าจานเน่ยค่ะเดินไปแถวแถวลองยกเท้าดูมันยืนเหมือนแบบเหมือนกระต่ายขาเดียวอะค่ะที่กระต่ายเพราะเป็นกระต่ายขาเดียวปุ๊บข้างหนึ่งมันหนักข้างหนึ่งมันเบา แต่ก็เลยยืนอยู่อย่างนั้นแหละ e. หมายถึงว่าตอนช่วงเดยืนหยุดพักหนึง่ง <c oughs> ดูให้มันดูลงไปว่าอ๋อนี่คือหนักนี่คื อ, คอเบาแล้วมันก็เกิดพร้อมกันในร่างกายเดียวของเรานี่แหละร่างกายเราองค์รวมมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะมีข้างหนึ่งหนักข้างหนึ่งเบาก็เลยสังเกตว่าแล้วมันหนักมันเบาเกิดได้ยังไงก็เลยไปเห็นว่าไอ้ที่หนักก็คือว่าจิตเราไปจับข้างขาที่ยืนอยู่ที่พื้นคือที่หนักแล้วถ้ามันเบาก็คือจิตเรามาจับข้างที่เบาข้างที่ยกลอยเนี่ยค่ะ ก็เลยอ๋อที่มันหนักมันเบาเพราะว่าจิตเราไปจับถ้าจิตเราไปจับที่ไหนมันก็จะรู้สึกที่นั่นก็เลยเข้าใจก็มันก็มันก็ทีนี้มันทฤษฎีมันเยอะอะนะคะในในในจิตเราทฤษฎีมันก็นึกได้ว่าอ๋อแสดงว่าไอ้คนที่ที่ว่ามองโลกแง่รายหรือคนที่ทุกข์เยอะๆแสดงเข้าไปจับแต่ตรงเฉพาะตรงหนักส่วนเอฟพวกที่แบบว่าสุนทรีหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยแสดงว่าเขาไปจับด้านเบา เพราะฉะนั้นแล้วก็พอดีอาจารย์ก็บอกว่าให้เราหาที่สุดแห่งทุกคือมันมีสองข้างสุดโต่งก็คือหนักสุดกับเบาสุด ให้เราหาจงจุดนี้เราก็เลยมาอ๋อเราก็เลยเราก็เลยเหมือนกับมันประมวลนอะฮะว่าไอ้ข้างหนักสุดกับข้างเบาสุดนี่มันก็คือสุดโต่งสองข้างที่มันเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นมันที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ว่าทางสุดโต่งสองข้างนั้นคือการมาสุขกับอาชกิวที่เราต้องไปมองหาที่คนอื่นว่าอ๋อปฏิบัติแบบนี้อาตกิ ว, ก ว, กวปฏิบัติแบบนี้การมาสุข แต่มันไม่ใช่มันอยู่ที่มันอยู่ในในในมันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาให้เราดูแต่เราไม่เคยดูมันหรือว่าเราไม่รู้ที่จะไปดูมันนะคะดูไม่เป็นนี่เราก็เริ่มเห็นแล้วก็ดีใจนะคะว่าอ๋อแสดงว่ามันสุดโต่งอยู่มันสองข้างแล้วทำยังไงล่ะถ้าเราพุ่งจิตไปที่ความหนักขาที่ยืนอยู่ที่พื้นมันก็จะเป็นอัตกิลถูกไหมคะถ้าเราเอาจิตมาจับที่ขาที่ยกขึ้นมามันก็จะเป็นการมาสุ มันก็จะติดสบายกับติดติดทุกใช่ไหมมันก็จะสองข้างเราหนูก็เลยดึงจิตขึ้นมาถอยจิตขึ้นมาขึ้นมาเหนือจากขาที่เรามองลงไปสองข้าง <ascal> ก็มาขึ้นมาท้องบนเหนือขึ้นมาหน่อยหนึ่งขึ้นมาท้างบนทีนี้เราก็จะมองเป็นเห็นเป็นสองข้างสองข้างก็พอเรามองเห็นเปสองข้า ง, งข้างหนึ่งหนักข้างหนึ่งเบาจิตมันก็เลยเหมือนกับเป็นกลางว่าหนักก็ไม่หนักก็ไม่เที่ยงไอ้เบาก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนพรเราขยับขาข้างนี้เป็นข้างหนักอีกข้างหนึ่งก็เป็นข้างเบาเราก็เลยอ๋อถ้าเผื่อเราจะให้จิตเป็นกลางก็คือถอยจิตขึ้นมาสูงขึ้นมาคือไม่เพ่งไปที่ด้านใดด้านหนึ่งคือสุดตรงสองข้างเราไม่ไปสักข้างเพียงแต่เราดูอยู่ตรงกลางพอเราดูอยู่ตรงกลางพอเราเดินอย่างนี้ตามพระอาจารย์เราก็มีความรู้สึกว่าจิตเราเป็นกลางโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วมันก็เห็นแล้วว่ามันก็เนี่ยมันก็โยกย ขยับเมื่อพอเดินเดินไปอะคะ่ะจากที่ข้างนึงหนักอจะอไปอีกข้างนึงก็จะเป็นเบาใช่ไหมคะมันจะสลับกันไปอย่างนี้แต่พอเดินไปเดินไปเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าในขาข้างเดียวกันอะข้างหนึ่งถ้าข้างหนึ่งตึงจำจำค่ส่วนหนึ่งตึงก็จะมีอีกส่วนหนึ่งหย่อนซึ่งมันเกิดพร้อมกัน เพราะมันก็เป็นการแบบเหมือนเคลื่อนเหมือนเคลื่อนเน่ยค่ะเหมือนการเปลี่ยนแปลงที่มันเคลื่อนจากอันหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหนั ก, ก, นกมันก็จะมีอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเกิดกดับกระดับกระดับกระดับกระดับไปเรื่อยๆโดยที่พอจิตมันเห็นอย่างเนี้ยจิตมันเขาก็จะถอยมาเป็นกลางเองโดยที่เขาไม่เข้าไปไม่เข้าไปยึดกับความสบายไอ้ตรงที่มันหย่อนแล้วก็ไม่เข้าไปยึดไอ้ตรงที่มันหนัก ก็ก็ฝึกดูอย่างนี้ค่ะเดินก็เดินไปสบายๆแล้วจิตก็จะ ด, ดูอยู่อย่างนี้จนให้ก็ชุ้นชินว่าอ๋อเป็นกลางคือยอย่างนี้เป็นปกติคืออย่างนี้คือเป็นปกติก็คือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจิตเราไม่เข้าวิ่งเข้าไปยินดีหรือไปชอบมันหรือเกิดอะไรขึ้นที่เราไม่พึงพอใจเราหรือว่าหนักหรือว่ามันเป็นความรู้สึกไม่สบายเราก็จะไม่เข้าไปยินไล่กับมันแล้วก็พอพอเราไม่ยินล่ยินดีนไล่กับมันพระอาจารย์ก็ยังสอนอีกว่าให้เราแก้ไข เรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเไม่ใช่รอแต่ก่อนจะเป็นเหมือนรอเหมือนนั่งสมาธินี่ก็จะรอดูว่ามันจะทนได้นานขนาดไหนแล้วก็รอทนอยู่ยงนั้นแหะคะ่ะมันเป็นไม่ได้ใช้ปัญญาพอเสร็จทีนี้พระาจารย์บอกเราสามารถที่จะแก้ไขหมายถึงว่าอย่าให้ความทุกข์ของกายมันล้นมาที่ใจตราบใดที่เราเห็นหรือสังเกตหรือดูมันอยู่เนี่ยเราจะรู้ว่าส่วนเนี้ยมันตึงละตึงยังทนได้ไหม ตึงเริ่มทนไม่ได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนไปเนี่ยอ่าไอ้ทุกข์นั้นมันกระดับไปแล้วเราไม่ต้องรอให้ทุกข์ขดับเองเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่ดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นทุกข์มันเกิดขึ้นถ้าเผื่อเรารอให้ทุกข์ดับไปนั่นคือมันเป็นตามธรรมชาติของเขาแต่ถ้าเผื่อเราใช้ปัญญาเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเราจ้าค่ะหมดแล้วค่ะ มือนมสาสนุกขับรถที่หนึ่งพ่ออุทธร์นสองส่วน<อ>คือพยายามเน้นในหลายครั้งว่าให้เห็นระหว่างตัวเคลื่อนแตัวดยดมันมีผลตัวตัวหนักแลตัวบาเนี่ยเราปฏิบัติเคลื่อนไหวแล้วก็ยืดตัวเคลื่อนไหวแต่ในการเคลื่อนไหวนั้นในการยืดการเคลื่อนมันมีหนักมีเบาและหนักเบาสิ่งมา่าอกอะไรสิ่งมาจากการกดของอันนี้อย่าง<อ>ใช่ไหม ว่ามันจะรอ้องหลเวียวนเวลาเราหนักหมายความว่าเาไปกดบอบกดของ อ, องนิจจาว่ก็รู้สึกหนักพอเรากดอนิจจาว่าปั๊บรู้สึกเบ า, าเรากดอนิจจามาจากอะไรอนิจจ์ความมาจากอะไรมาจากการเกิดและการดับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงการเกิดดับโดยไรที่ไปที่มาจากการเกิดดับในปิกุฎของจักรวาลแ้วจากตัวจักรวาลก็มาเป็นตัวเราทีนี้เราอยากจะพ้นไปจากการครอบุมของกดใดก็ได้ เราก็ต้องเใจกดอันนี้แล้ใช้กฎแต่ละให้เป็นเพราะกฎใช้กฎแต่ะเป็นมันกลายเป็นไตรสิขาแล้วมันตรงที่พุทธภูมิแต่สรู้แล้วก็มาดับถุนซึ่งต้องการประมวลแค่นีนะ้แต่ว่ารายละเอียดนั้นแล้วแต่คุณวัฒนธบารมีของแต่ละคนที่จะเข้าถึงแต่ว่ารายละเอียดมันมีอยู่แค่นี้จริงๆฉะนั้นเองยิ่งย้อยไปยิ่งย้อยไปเพราะยิเห็นรายละเอียดแล้วแต่ใครที่มีภูมิธรรมภูปยยัญญาเราก็จะเห็นรายละเอียดแตกต่างออกไป ซึ่งลักษณะอนี้ก็เห็นได้ละเอียดมากที่สุดมันก็เกิดอภิ ญ, ญาของมันเองเกิดญาณิสัมของมันเองเกิดวิชาสามัมของมันเองโดยที่นอกไม่ต้องปรารถนาแต่ว่าแต่ละคนนั้นมีภูมิปัญญาภูมิธรรมที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนมีความอดทนสูงเพื่ออะไรที่จะทนดูนานๆมันจะทิ้งาาล่องรอยของสมถะโดยอัตโนมัติเลยนะซึ่งตรงนี้มาว่าคุณพนคุณจันท์ เดิมชื่อจัท น, ทนทิชาทันทยาใช่ไหมเอ๊ะมาว่าเป็นโทษทันไม่จบสักทีนะต้องเปลีเป็นจันท่มาพ้นโทษพ้ น, พนมือสักนะีะก็เลยเีนไปแต่เปลี่ไปเปไม่รู้แล้วหลพ่อว่าหน้าจะเป็น่ย่างนะั้นะนะก็สำหรับตอนนี้เหลือแต่ท่านลั ก, กสามุญเนงตอนนี้ผมทนักาการ